พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ดลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองเมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าอย่าตายด้วยความห่วงก่อนที่จะสมาทานศีล หลวงพอ่อพูดว่าหลวงพ่อก็แล้วกันนะคณะศไทยญาติโยมโลูกหลานตั้งชื่อว่าหลวงพ่อนะแต่ถ้าหาว่าท่านผู้ใดมีอายุมากกว่าหลวงพอ่อหลวงพ่อจะเรียกว่าหลวงพี่นะโยมพี่คุณพี่โยมพี่พ่อหลวงพอนะ่ออายุเดี๋ยวนี้อายุ72ปีแล้วนี่วันที่27เมษายนเสานะ72ปีเต็มแล้วลูกหลานจตหายาติโยม เพราะมองมองดูแล้วก็เห็นแต่รุ่นลูกรุก่นหลานมากกว่าน้องๆมากกว่าเพราะนั้นหลวงพ่อตั้งชื่อว่าหลงพ่อก็แล้วกันพวกเราได้ฟังก็จะพึ่งขวางหูเถอะนะถือว่าคนเราเกิดมาก็ต้องมีผู้น้อยผู้ใหญ่แต่หลวงพ่อก็ถือว่ารุ่ลลลนลูกรุ่นหลานรุ่นน้องมากทีมมองดูดนูะ ในวันนี้ก่อนที่จะสมาทานศินเมื่อกี้ี้พวกเราท่านทั้งหลายได้กล่าวอารัธนาศินหลวงพ่อเองไป น, นสถานที่ต่างๆเคยเห็นเวลาสทายาทโฉมกล่าวอารัธนาศินพระมหาเถระผู้ใหญ่หรือพะระเถระท่านท่านก็ให้ศินไปเลยแต่ท่านก็ไม่ได้พูดกล่าวอะไรแต่หลวงพ่อมองๆดูแล้วหลวงพ่อคิดว่าพวกเราท่านทั้งหลาย โดยมากทุกวันนี้พอเป็นเด็กขึ้นมาต่อเข้าไปเรียนหนังสือถ้าผู้มีฐานะดีก็ไปเรียนหนังสือโรงเรียนฝรัง่ทงท้าว่าโรงเรียนผู้มีฐานะธรรมดาก็เรียนตามปกติแต่พอเรียนหนังสือเข้าไปแล้วก็ต่อถึงมัธยมปถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกก็ห่างเหินในหลักพระพุทธศาสนา หลักของพุทธศาสนาที่โบราณปู่ย่าตายายเคยนับถือกันมาก็ห่างเหินจากลูกหลานท่านเหล่านั้นแต่ถ้าว่าพวกลูกหลานท่านเหล่านั้นได้บวชใน พ, พุทธศาสนาก็พอจะรู้เรื่องว่า พ, พุทธศาสนาที่โบราณปู่ย่าตายายนับถือกันมามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม วันนั้นหลวงพ่อเองไปนัตสถานที่ต่างๆอย่างที่มาในวันนี้เห็นพี่น้องสัตยา ญ, ญาติจมล้นหลามมากหลวงพ่อเึงจะอธิบายหรือว่าบอกกล่าวคุณค่าของคุ ณ, ค, ณค่าของศินประโยชน์ของสินที่พวกเราโบราณคนโบราณที่เขานับถือกันมาทำไม เ, เวลามาทำศาสนาพิธีอย่างนี้คนมากอย่างนี้ ไหว้พระเศียรแล้วก็สมาทานศีลก่อนจึงทำอย่างอื่นต่อไปอทำไมเพราะว่าศีลถ้าหากว่าพวกเราทุกท่านเป็นผู้มีศีลอยู่ด้วยกันมากมายโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุข ช, ช, ชุมชนกลุ่มใดมั่นยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมชุมชนในกลุ่มนั้นในยุคนั้นสมัยนั้น จ ะ, จะได้รับแต่ความสงบพร้มเย็นเป็นสุขไฟลายเพราะศีลคุ้มครองศีลคือกฎกติกาการอยู่ด้วยกันเพราะนั้นก่อนที่จะสมาทานศีลบรมโบราณครูบาอาจารย์ท่านก็ให้กล่าวว่าน้โมซะก่อนนามโมตัดสาเป็นเบื้องต้นทำไมจะรักษาศีลถึงว่านามโมเพราะว่าศีลที่พวกเราจะรักษาเนี่ยคือศีลของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นผู้คิดเป็นผู้คิดคน้นเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเรายอมรับนับถือพวกเราพวกเราเป็นพุทธบริษัทคือเป็นบริษัทลงทุน เ, เข้าหุ้นลงทุนกับพระพุทธเจ้าเาที่ว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทของพุทธะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาสมาทานศีลเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนวันนะโมตักสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กล่าวถึงสามครั้งคือข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือพระพุทธยเจ้าที่ต้นศาสนาต้นศาสนาต้นความคิดเรื่องจะ บ, บันที่พวกเราจะรับสินหานจากนั้นเราก็ยืนยันอีกว่าพุทธังธรรมังสังขังสรณนางังคตฉามิดุติตาติพุทธังธรรมังสังขังสรานางังคตฉามิยืนยันถึงสามครั้ง จะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระ อ, องค์เองจากนั้นได้ประกาศพระธรรมคำสอนออกมา เ, เป็นพระธรรมคำสอนที่มีคุณค่ามีประโยชน์เพราะนั้นพวกเราจึงนับถือพระพุทธเจ้าต้นความคิดแลวก็นับถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ประกาศออกมา 84%00 มพระธรรมขันพวกเราน้อมยอมรับในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นสังขังก็คือพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศออกมาเผยแผ่ถ้าไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศเผยแผ่พวกเราก็คงไม่รู้ว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรก็คงหมดในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้า ปรลิพนิพานไปแล้วเพราะฉนั้นเราจึงน้อมเนอะยอมรับพุท ธ, ธังคือพระพุทธเจ้าทำมังคือพระธรรมคําสอนของพุทธะสังขังคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นําพระธรรมคําสอนออกมาบอกกล่าวจากนั้นพวกเราจึงยึดเป็นที่พึ่งเป็นที่เคารพสักดิระเป็นสารณะเป็นที่พึ่งคือว่าตัดียามปียืนยันถึงสามครั้ง จากนั้นกระลาวเป็นองค์ศีลปานาติปาตาเวรมณีสิขาปะทางสมาติยามิฆ่าเปเจ้าทั้งหลายจะงดเว้นในการฆ่าเพราะว่าการฆ่าคํานี้น่ะถ้าเราไปฆ่าคนอื่นเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขามีความทุกข์ใจอย่างไรเพราะฆ่าพ่อแม่พี่น้องวงศสาคณะญาติฆ่าใครก็ตามฆ่าสัตว์ที่ไรชาดฆ่าหมูหมากาไก่อะไรก็ตามเราก็ไม่รู้ว่าความทุกข์ของเขาทั้งคืออย่างไรแต่เมื่อเขามาฆ่าเราล่ะ ถ้าพ่อแม่พี่น้องวงศาคณาญาติของเราเรามีความรู้สึกยังไงนั่นแหละเราจะรู้สึกได้ว่ า, วาเรามีความทุกข์จริงเมื่อเขามาฆ่าเราเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีในการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งคือบัญญัติกฏกติกาขึ้นมาว่าปานาติปาอย่าฆ่ากันการอยู่ด้วยกันอย่าคิดฆ่ากัน อันนี้คือศินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาว ร, รมณีอย่าคิดขโมยกันถ้าเราไปขโมยของเขาถ้าเราได้มาเราก็ดีใจเพราะขโมยของเขาแต่เขาผู้ถูกขโมยนะ่ะเขาเสียใจในเมื่อเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขามาเรียกค่าไถยหรือหรือเขามาเรียกเอาพ่อแม่พี่น้องของเราไปเรียกค่าไถ่เป็นยังไงความรู้สึกของเราที่เขาเอาของเราไป เมื่อเราเอาของเขาหมาเขาก็คงจะมีความรู้สึกเสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคือพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สองอย่าขโมยกันการอยู่ด้วยกันต้องซื่อสัตว์สุดจริตต่อกันอันนี้คือสิลข้อที่สองข้อที่สามกาเมตุมิจฉาจาราเวรมณีสามีภรรยาของใครของเขาเขาก็รักสมนวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำของเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ต่างคนต่างมีให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้คือสินข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทาเว ร, รมณีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเมื่อเราไปต้มตุนโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็รู้สึกเขาเสียใจเข้ามาเขาทากับเราหรอกเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเะฉะนั้นสินของพระพุทธเจ้าคือสินข้อที่สอย่ากโกหก เราไม่มีเงินเราเขียนเช็คแจ้งให้เขาอย่างนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาทำให้กับเราเรามีความรู้สึกอย่างไแเราก็เสียใจเพราะนั้นสินของพระพุทธเจ้าถ้าเรานึกดูทบทวนดูให้ดีเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาจริงไหมถ้าเราไปทำให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทำให้ให้กับเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้คือศิล ได้สินข้อที่5สุราเมรยะมช่าประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราเมลยัยสุราคือเหล้ า, เ ม, าเมลัยเมลัยคือเบียร์คัญชายาฝิ่นเฮโรอีนโคเคนยาบ้ายาาสิ่งเหล่านี้ถ้าดื่มหรือเสพเข้าไปจะเป็นประเภทใดจะมีชื่อและมีชื่อก็อตามถ้าดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติ ในเมื่อคนขาดจติแล้วทาความชั่วได้ทุกอย่างเพราะคนขาดจติฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ละลาบละล้วกในสามีภรรยาของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะขาดจติเพราะฉะนั้นศินของพระพุทธเจ้าถ้าเรานึกพิจารณากันกลองไตรตองด้วยเหตุและผลแล้วสิลของพระพุทธเจ้าเป็นสินคุ้มของโลกจริงเพราะฉะนั้นคนโบราณโบราณการหรือปู่ย่าตายายของพวกเรา ท่านเห็นคุณค่าของศินการอยู่ด้วยกันถ้าคนมีศินแล้วไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้าหากคนไม่มีศิลแล้วหาความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้เพราะฉะนั้นมีพิธีกรรมพิธีการอย่างนี้แหละชุมชนอย่างนี้เวลาเราจะทําพิษศาสนาพิธีจเราจึงมีการไหว้พระแล้วก็สมาทานศิลอย่ากนั้นประสงค์กับเป็นผู้พานําศินเพราะฉนั้นวันนี้หลวงพ่อเองได้กล่าวเรื่อง คุณค่าของสินประโยชน์ของสินให้กับคณะทาท ญ, ญาติโยมได้ฟังพวกเราคงจะรู้ว่านี่แหละเรื่องสินนึ่คือใจเขาใจเราไม่ใช่อื่นไกลเพราะนั้นขอให้พวกเราพวกทุกท่านเมื่อรู้คุณค่าของสินและแต่นี้ต่อไปต้องอหลวงพ่อจะเป็นผู้พาน้ำสมาทานนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาตามพุท ธ, ธัสสะ สีเลนนในผูติิงยันติตัดสมาสีลังวิโสทาเยสัมมาจารย กราบพระเถระพระมหาเถระพระเถระพระอนุเถระทั้งหลายที่มานั่งเป็นประธานในงานในวันนี้กระผมขอโอกาสกราบครูบาอาจารย์กระผมจะขอเป็นองค์แสดงธรรมแทนพระสงฆ์ขอครูบาอาจารย์โปรดนะ โ, โหรือว่าให้โอกาส ในกับผมด้วยครับผมเนี่ยหลวงปู่บุญมาที่นั่งเป็นประธานหนึ่งสมัยก่อนหลวงพ่อเป็นเนนน้อยนะท่านเป็นครูบาของหลวงพ่อนะหลวงปู่บุญมาเนี่ยอยู่ภูเจาะ ก, กอด้วยกันกับอยู่กับหลวงปู่ล่าหามน้ำขึ้นภูเขาด้วยกันนะเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นเนนน้อยท่านเป็นครูบาเนี่ยจะอยู่ด้วยกันแต่หลวงพ่อเดี๋ยวนี้ก็อายุเจ็ดสิบสองปีแล้วลูกหลาน <c oughs> บวชมาตั้งแต่ปี 2,500 นะลูกหลานนะบวชเป็นสมณีนี่อยู่เป็นเอ็อยู่8ปดปีที่ภูเจ้าก้มุกดาหารจากนั้นกระบวชเป็นพระปี08เป็นพระเฉพาะเป็นพระเนี่ย52ปีนะลูกหลานนะเป็นส ม, มเณีอีก8รวมแล้วชีวิตของหลวงพ่อฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลาทั้ง60ปีนะทั้งส ม, มเณีด้วยทั้งพระด้วยเพราะฉะนั้น ให้ลูกหลานคณะสัตายาญาติโยมฟังดูิว่าหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรที่ฝากชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลาถึงหกสิบปีนะ เ, เดี๋ยวนี้ก็เจ็ดิบสองใช่ไหมละ่ะนี่แหละอขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านที่มานั่งฟังด้วยกันแต่ให้อยู่ในความสงบนะอย่ามีเสียงเมื่อกี้ในหลวงพ่ อ, อพูดเรื่องศีลนะ้ยังมีเสียงอยู่ทางซ้ายมือของหลวงพ่อเนะี่ยให้อยู่ในความสงบก่อน ตัดทายาตโยมพระเนรลูกหลานน้องหลงทั้งหลายเพราะว่าหลวงพ่อเป็นพระป่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวถ้าว่ามีเสียงอะไรมารบกวนหลวงพ่อจะพูดไม่ออกนะเพราะมันเสียงรบกวนเพราะทำหรือว่าหูวงพ่อศึกษาธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิธรรมอยู่ในป่าหลวงพงศ์ไปอยู่ในที่สงบสงัดไม่มีไม่ยินเสียงอะไรมีแต่เสียงสัตว์ป่ามีแต่เสียงจริงหลีด เสียงมแมลงเท่านั้นเองเสียงผู้คนจะไม่มีเพราะนั้นหลวงพ่อมาจะแสดงธรรมก็ดีหรือนั่งสมาธิก็ดีถ้ามีเสียงคนขึ้นมาแล้วมันไปไม่ไปไม่ได้เพระนั้นขอให้พวกเราทุกท่านหลวงพ่อคงจะไม่พูดอะไรยาวนานนะจะอธิบายเรื่องธรรมะที่พวกเราท่านทั้งหลายควรจะได้รับรูรับทราบว่าหลวงพ่อนมีความเห็นอย่างไรเพราะพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้ามัมีทั้ง 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์ สุดแท้แต่ครูบาอาจารย์องค์ไหนจะหยิบยกเอาจุดไหนมาพูดมาแสดงมาบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟัง mm hmm. วันนั้นหลวงพ่อก็คงจะหยิบยกประเด็นหนึ่งเอามาให้พวกเราท่านทั้งหลายฟัง mm hmm. แต่ทั้งถึงยังไงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าขอสลับซับซ้อนกันถึงจะพูดยังไงในงานอย่างนี้นะในงานมรณะพระครูบาอาจารย์มรณะภาพ่างนี้ก็ไม่หนีไม่พ้นที่ว่ามรณง หรืออนิจจาวัจสังขาราและกุศลธรรมมอกุศลธรรมมาเหตุปฏจโยรก็อธิบายในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักอย่างนี้โดยมากจะเน้นเรื่องอนิจจาคือของไปเที่ยงแท้แน่ น, นอนเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาเท่าไรก็าตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้อันนี้คือครูบาอาจารย์ที่จะจกยิบยกแต่หลวงพ่ อ, องคงจะไม่หนีจากจุดนี้อีกเหมือนกัน วันนั้นขอบอกกล่าวถึงพวกเราจะเน้นย้ำถึงยังไงก็ตามพวกเราก็ยังเหนียวแน่นติดหนึบอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเราติดพบติดชาติมาตั้งแต่นมนานะฉนนั้นไม่ใช่ว่ามันจะได้เบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นได้ง่ายพราะวะนั้นพวกเราฟังแล้วฟังอีกศึกษาแล้วศึกษาอีกถ้าว่าพวกเราตั้งใจศึกษาตั้งใจฟังผู้ฟัง ยอมเลฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่ยังได้สิงไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของพวกเราได้ฟังอัดฟังธรรมได้ฟังหลักเหตุผลใจของเราจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสในการฟังนี่แหละอันนี้สงแห่งการฟังธรรมจากนั้นว่าสุด สุตมตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเมื่อเราได้ยินได้ฟังเหตุผลก็เกิดปัญญาสุตตะมยะปัญญาจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนอันนี้ว่าจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้ว นำมาพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลทางด้านปัญญาเกิดปัญญาที่แท้จริงอันนี้คื อ, อ, อปัญญาทาง พ, พระพุทพพธศาสนาเรียกว่าภาวนามายะปัญญาออจากนั้นท่านจึงย้ำอีกว่าสู้สัสงและสธเต ป, ปัญญาผู้ฟังด้วยดีจอมได้ปัญญานี่แหละสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังฟังครั้งนี้ฟังครั้งต่อไปฟังครูบาอาจารย์หลายท่านหลา ย, าลายองค์ แนวความคิดของครูบาอาจารย์จากนั้นก็เกิดชติเกิดปัญญาขึ้นมาได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายไปนสถานที่ใดครูบาอาจารย์องค์ไหนแสดงธรรมพวกเราก็ฟังตั้งใจฟังเมื่อฟังแล้วก็นำมากันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วจะเกิดชติเกิดปัญญากับพวกเราได้เพราะนั้นการในครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งในพวกเราจะต้องได้ฟัง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 กายวิยะธรรมมาสังขาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทาตีติวันนี้หลวงพ่อเองจะได้กล่าวสังเวทนิยกถาคือกระาความสลดสังเวทใจอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นคือวันนี้พวกเราได้มาในงานประชุมเพลิงศพ ของพระอาจารย์ปีชาโกวิโทอดีตเจ้าอาวาสวัดนาคำไฮใต้คณะธรรมยุทธ์เกิดเมื่อวันที่11เมกราคมศนะูนย์สองะเออแล้วก็ท่านบวชเข้ามาแล้วอายุของท่านได้58ปีเออแล้วก็พรรษา35อ่าที่ที่ท่านบรรณภาพลงไปแต่ถ้าจะวากไปแล้วก็อายุยังน้อยอยู่นะ เพียง58ปีถ้าจะว่าขาดทุนก็ขาดทุนเพราะเหตุไรเดี๋ยวนี้คนอายุ75ปีเป็นอายุไขของมนุษย์นะแต่ท่านได้58ปีท่านขาดทุนขาดทุนกำไรของชีวิตนะแต่ถึงยังไงท่านเอามาเพียงแค่นี้เพราะเหตุไรเพราะว่าคนเราในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธองค์งตรัสไว้ว่า ชีวิตของพวกเราเหมือนกับน้ำค้างใบบัวหรือว่ามเมล็ดงาอยู่ปลายเหล็แกแหลมไม่รู้จะกลิ้งตกเมื่อไหร่ใบบัวน้ำลมกระโชกมาเมื่อไหร่ใบน้ำในใบบัวกับพร้อมจะกลิ้งตกได้ทุกเวลานี่ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอันนี้ก็คือท่านพระอาจารย์ปีชาพวกคณะกรรมการหรือว่าผู้จัดงานก็คงจะได้มา พูดมาเรียนให้พวกเร า, าทราบอีกทีหนึงอันนี้ถ้าหลวงพ่อขึ้นมาแล้วจะไม่พูดไม่กล่าวถึงท่าน เ, เจ้าของท่านมรณะภาพไปเฉลยก็ขาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดได้กล่าวเป็นกเกินๆให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบแต่ถึงยังไงชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาในพื้นมนุษย์โลกที่พระพุทธเจ้าเป็นบร ม, มครูของพวกเรา พระองค์รู้ไหมความสุขเรื่องเมื่อเป็นฆรวาสความสุขเ ม, เมื่อเป็นฆรวาสท่านรู้ไหมเพราะพุทธเจ้าของเราก็ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะบริบูรณ์ในเมื่อสมัย เ, มเป็นครวาสยังเป็นศิทธะา เ, เพราะนั้นแต่ทำไมพระองค์จึงหนีออกไปบวชจุดนี้เป็นจุดที่พวกเราจะต้องดู เป็นพุทธประวัติที่ว่าชีวิตที่หันเหชีวิตที่พระองค์เห็นอย่างไรท่านรู้ว่าชีวิตของคารวะกินอร่อยนอนหลับมีสามีภรรยามีลูกมีหลานมีทรัพย์สมบัติมีความสุขในคารวะท่านรู้ไหมท่านคงรู้เหมือนกับพวกเราท่านทาั้งหลายแต่ทําไมพระองค์จึงหนีออกไปบวช เ, เพราะว่าพระองค์ บารมีแก่กล้าอีกชวนหนึ่งแล้วพระ อ, องค์บุญบที่บาเพ็ญมาที่จะได้ตัดสู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์จึงถึงขราวและข่วาวนี้จะได้ตัดสู้เป็นพระอนุตระจากนั้นพอบารมีมาแก่แก่กล้าคำนี้คือความคิดความนึกคิดท้องเราเนี่ยมันแปลกแตกแตกต่างมันหันเหมันผันปวนผันผวนหรือ ว, ว่า ไม่เหมือนความคิดของคนทั่วไปไอพระองค์จึงเอ่ อ, อ, อ, เ, อ, อเมื่อพระ อ, องค์อายุ29่สิบปีพระ อ, องค์เออได้เข้ามองผลสมรสกระนำพิมพ์พายะโสตทราเมื่ออายุ16ปีจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ได้เฉวยในความสุขเป็นครวา่าต์ถึงอายุ29่สิบปีในพระ อ, องค์ที่ขณะที่อยู่เป็นครว่าต์พระ อ, องค์ก็มีความสุขแบบครว่าต์ทั่วไป ่ไปนักสถานที่ใดมีแต่สีวิไลทั้งนั้นเพ่ออะไรเพราะพระเจ้าสุโถทนะพะิดาประคบปะงมไม่ให้ศีรษะมองเห็นสิ่งที่เป็นคือเป็นสิ่งที่เป็นอั ป, ปมงคลและสิ่งที่ไม่สวยงามไม่ให้มองเห็นแต่ความสวยงามความสีวิไลคือเหมือนกับเมืองสวรรษสวรรค์ในเมืองมนุษย์ลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่ออายุ29ปีพระเจ้าจุโถทนะพระบิดาก็เห็นว่าเออ ควรจะปล่อยมือวางมือได้แล้วสิทธัตถะคงจะติดโลกแล้ทีนี้เพราะว่าพิมพายาโสตราก็ทรงคันแก่พร้อมที่จะคลอดพระโอรสคงจะติดโลกนี่อันนี้คือพระเจ้าจุโถธนะวางใจจากนั้นก็ปล่อยปล่อยให้เป็นอิสระแล้วไปให้เห็นทุกอย่างในในเมืองในกรุงในยุกคสมัยนั้นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งสิทธัตถะได้บอกกับนายฉันนะว่าชนกนะ เดี๋ยวเราจะเสด็จไปสมอุทยานแต่ก่อนการสมอุทยานของสิทธะก็มีแต่ผ้าสลันมีกล้งมีต้นกล้วยต้นอ้อยดอกไม้ปูดอกกุหลาบจนถึงสวนแล้วก็กลับมาแต่คราวนี้ไม่มีปล่อยให้เป็นอิสระจากนั้นสิทธะก็นั่งรถม้ากับนายชนะ น, นายชนะเทียมรถม้านางไปไปเห็นคนแก่ พอเห็นคนแก่พระทิฏฐาไม่เคยเห็นคนแก่มาก่อนเพราะอยู่เดินไปที่ไหนก็มีแต่ความสีวิไลยอย่างที่ว่าพอไปเห็นคนแก่ ห, กหลังข้อมือถือไม้เ้าผมขาวหนังเหี่ยวเออเวลามองขึ้นมามาฟันก็ไม่มีอีกต่างหากทิฏฐาเห็นแล้วแปลกใจอันนี้มันเหมือนมนุษย์แต่ไม่เหมือนมนุษย์อันนี้เป็นใครช น, นะอันนี้อะไรนี่คืออะไร ชันทะก็ บ, บอกว่านี่หรือคือคนแก่เอเอ๊ยจะมีจะหาความสุขได้อย่างไรนี่แหละเอจิตใจของสิทธะขันเหอะไรสิจะหาความสุขได้ยังไงเมื่อคนแก่เราจะแก่ไม่เนี่ยสิทธะถ้าพระองค์ไม่สวรรค์นกง่ายก่อนเนี่ยไม่ไม่แพ้กันพวกคนต้องแก่อย่างนี้พระเจ้าข่าวนี่แหละอันนี้ก็คือความอที่ทําให้สิทธะเอ มีความหันเหทางด้านจิตใจต่อมาก็มาอีกจะด็จไปอีกไปเห็นคนเก็บจะนั่งไปเห็นคนตายจะนั่งไปเห็นสัมมนะตอนไปเห็นสัมมะาเนี่ยเออถ้าหากว่าเรามาคุ้นคิดอย่างพระสัมมนท่านนี้อยู่ที่โคลนต้นไม้นี่นั่งหาคุ้นคิดหาหาเหตุหาผลหาเรื่องที่ตนเองต้องการคงจะมีช่องทางถ้าเราอยู่ในเวียงวังมีแต่สนมกำนันมีแต่ บริษัทบริวารคิดแต่ดูแลประเทศชาติปกป้องชาติบ้านเมืองของตอนเองอยู่คงจะไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะมาค้นคิดหาหนทางที่ว่าจะทำยังไงจึงไม่มากแก่เจ็บตายลงคงหาไม่ได้คงหาไม่เจอเพราะเรามันยุ่งเหยิงกับหน้าที่การงานจากนั้นพระองค์จึงเสด็จกลับจากอุทยานในเย็นวันนั้นก็ทราบข่าวว่าพิมพายโสธราขอดพระราหุล จากนั้นพระ อ, องค์ก็สํานึกขึ้นมาได้โอ้เครื่องผูกพันเกเกิดมากับเราแล้วเกิดมาขึ้นมาแล้วกับเราเออคือเราลัคนะคือเครื่องผูกพันเกิดขึ้นมาเออขึ้นมาแล้วจากนั้นพระ อ, องค์จึงตัดสินพระไทยในคืนนั้นรีบหนีออกจากเบียงหวังไปอยู่ในป่าดงพงไผ่อยู่ถึงหกปีไปถึงแม่น้ำอโนมาไดทีทั้งกบฏเป็นนักรถนักบวชจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้บําเพ็ญเ่ย อันนี้ในการบําเพ็ญทึงหกปีนั้นพวกเราคิดอยู่ใช่ว่าพระเจ้าแผ่นดินอยู่สวยความสุขในเป็นสุขุขมาราชาต์ถึงขนาดนั้นแล้วเสด็จไปอยู่ในป่า อ, อ, อาหารการบริโภคไม่มีใครไปดูแลดูแลปนิบัติยาพวะองค์ก็อยู่แบบนักทดนักบวชอยู่ในป่าดงพงไพยนี่กับชาวบ้านของเขาบินอาหารบินบทบะฉันถั้งหกปีนั่นแหละความทุกข์เป็นยางไง พวกเราคิดดูที่ว่าเหมือนกับคนที่มีร่ำรวยแล้วมาตกทุกข์ไม่แพ้กันตกทุกข์ก็ยังอีกยังแต่นี่พระพระเจ้าแผ่นดินมาอยู่อย่างนั้นแต่นี้นพระองค์ก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นมีแต่คิดความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะทําอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกนี่แหละจากนั้นถ้าก็ไปในลกว่กนันก็มีดาบท ดาบทสองท่านดาลาบทวุติกาดาบทสองเข้าท่านก็ไปศึกษาท่านก็บอกว่าไม่ใช่หนทางยังไม่ถึงจุดจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจากนั้นพระองค์เดยมาบําเพ็ญด้วยพระองค์เองเนี่ยแหละให้พวกเราศึกษาในจุดนี้เนี่ที่พระพุทธเจ้าของเรานั่งขัดสมาธิในวันเดือนหกแผ่นวันเดือนหกแผ่นคือเป็นวันที่ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าของของเราคือพระองค์บําเพ็ญได้หกปีแล้วนะ แต่นั้นวันเดือนวกเพนพระองค์นั่งขัดสมาธิที่โคลนต้นโพถ้าพวกเราไปประเทศอินเดียที่พุทธค่ายานะพวกเราจะเห็นนี่แหละคือต้นโพเนี่ยบริเวณละแวกนี้แหละที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นพระองค์ได้ยาคาจากนายโสธิยะนามามอบให้พระองค์ก็เอายาคาไปหาทำเรล ท, ทางคิดตะวันออกของต้นโพจากนั้นเกลีย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 จะว่าปุเพนิวาสารวจติยานระลึกชาติผลหลังได้อันนี้พวกเราท่านทั้งหลายให้เอาตัวอย่างพระพุทธญาณที่พวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนไม่ต้องเดาไม่ต้องคาดคะเนไม่ต้องประมาณการนั่งขัดสมาธิกําหนดลมหายใจเข้ารั้วหายใจเข้าเมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจใจกับกายเป็นครอันกันแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น ร่างกายคือรูปประธรรม่วนจิตใจคือนามธรรมร่างกายของคนเราเมีสองรูปประธรรมกับ น, นามธรรมแต่ทางโลกเขาเนี่ยเขาให้เขาเห็นแต่ร่างกายเขาจึงให้ความสําคัญว่าร่างกาย เ, เป็นของที่ไม่มีความสําคัญแต่หลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าท่านจึงยกเป็นพุทธภารรษตว่ามโนปุพังขมาธรรมมา มโนเสถามโนโมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจอันนี้คือตอนย่าข่ําตอนหัวข่ำนะพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็มองตอนหัวข่ำพระองค์มองพระองค์ก่อนดูพระองค์ก่อนว่าเราศีทธรรมนมาจากไหนมาเกิดท่านจึงรู้ได้ว่ามาจากสวรรค์ชั้นดุสิตออกจากก่นขึ้นไปสวรรค์ชั้นดุสิตมาจากไหนมาจากพระเวชทัดดอน ท่านก็รู้ว่าความเป็นมาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ตายแล้วศูนนะตายแล้วเกิดอีกถ้าเราออกจากภพนี้ชาตินี้แล้วเราะจะต้องเกิดอีกถ้าเราจังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราศึกษาในจุดนี้ที่พวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูญไม่ต้องประมาณไม่ต้องเดาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กลา่าว แต่พอถึงเที่ยงคืนท่านมองออกไปข้างนอกท่านมองดูสรพพสัตว์ทงางไลยอย่างหลวงพ่อเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่น่มองดอูมองดูจัดจัตถา ย, ยาจโยมพี่น้องลูกหลานที่นั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยท่านว่าทำไมคนเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันเป็นคนแต่ไม่เหมือนคนคนทำไมไม่เหมือนกันทำไมรูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนกันความมั่งมีสีสุขก็ไม่เหมือนกันฉเฉลียวฉลาดก็ไม่เหมือนกัน เผล อ, อ, อ, อๆยังมีหูหนวกตาบอดบ้าใบอีกต่างหากทาไมคนเราจึงเกิดไม่เหมือนกันพระองค์มองดูแล้วว่ากรรมคือการกระทําสปปรรพสัตต์ทั้งหลายทํากรรมไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันทําไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันในเมื่อคิดทําพูดไม่เหมือนกันกรรมเหล่านั้นจะให้ผลเมื่อกรำเหล่านั้นให้ผลแล้วกรรมจําแนกให้สัปปรพสัตต์ทั้งหลายเฉลียวฉลาดโง่เงลาหรือว่า มั่งทุกยากลําบากมั่งมีสีสุกต่างกันเพราะอไรกรรมเป็นผู้จําแนกถ้าใครถ้าใครทํากรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลถ้าใครใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะให้ผลกรรมชั่วให้ผลอะไรเป็นทุกเป็นสิ่งที่ไม่ไม่พึงปรารถนาอันนี้คือกรรมชั่วให้ผลแต่สิ่งกรรมดีให้ผลคนนั้นจะมีความสุขกายสุขใจมีความร่ารวยมั่งมีสีสุก ถ้าไทยถ้ามีกรรมดีมากคนนั้นก็จะมีความสุขมากเหมือนกับคนมีเงินมากลักษณะแต่มีคนมีเงินมากคนนั้นก็จะร่ํารวยมากถ้าว่าคนมีเงินน้อยก็ร่ารวยน้อยถ้าว่าคนนั้นไปป้นไปจี้ไปขโมยไปฆ่าคนอื่นเา้าคนนั้นก็จะต้องติดคุกติดตารางไปเต็มเพราะอะไรเพราะกรรมชั่วให้ผลก็ต้องตกต่ําแต่เพื่อใครทํากรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลเพราะฉนั้นพระองค์จึงปรัส เป็นโอวาทปฏิโมกว่าอากตังลุ ก, กตังสเสโยโยปชา ต, ตปฏิลุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทำเฉยเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลกรรมชั่วจะตามสนองตอนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้คือถึงเที่ยงขืนพอถึงจนวนสว่างพระองค์ก็ได้มองดูว่าใจของพระองค์มาจากไหนมาเกิดมาจากตัวอวิชชาอวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณัง วิญญาณปัจจยานามาทรูปังแลจนถึงโสกปฏิเทวทุกขโทมานั ส, สุพร้องให้พิไรรำพันมาจากความโง่คือตัวอวิชชาแต่ทําไมใจตรงนี้มันมามันเกิดขึ้นมาแล้วทําไมจึงเหวียนว่ายตายเกิดเพราะเกิดเพราะอะไรเพราะกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะนั้นพระ อ, องค์จึงใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาการกลองไตรตองพระไท่ของพระ อ, องค์พระไท่ของพระ อ, องค์ใจของ อ, องค์จึงบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ไม่มีราคะโทสะโมหะจิตจิตใจที่บริสุทธิ์พระองค์จึงรู้ได้ว่าจิตใจนี้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วนี่แหละอันนี้คือพระธรรมคําคสอนของพุทธะขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังสรุปแล้วก็คือเบื้องต้นกาา็ตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกบาบุญคุณโทษมีจริงถ้าใครทํากรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมดีและกรรมชั่วจะให้ผล ให้นี้พวกเราฟังเอาไว้ศึกษาเอาไว้นี่คือทักทำคําคําสอนของพุทธะตอนที่โสดเกิด น, นั่นแหละเป็นเรื่องที่สุดยอดของพุทธศาสนาคือตัดขิเละราคะโทสะโมหะแต่ท่นี้มาพูดถึงแนวแถวของปฏิปทาของหลวงปู่มั่นของพวกเราที่ต้นตระกูลของพระกรรมาฐานอย่างหลวงพ่อเองศึกษาอย่างที่พกหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้เกิดขึ้นเบื้องต้นว่าหลวงพ่อเป็นสมณีนของหลวงปู่ล่า จากการหลวงพ่อกำลังมาอยู่กับหลวงปู่จามหลวงปู่แหวนสุจินโนจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นมาอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวล้วนแล้วแต่เป็นพระป่าพระดงเป็นแนวแถวสายลูกหูมั่นทั้งหมดเพราะนั้นหลวงพ่อจะบรรยายหรือพูดกล่าวแนวแถวสองลองหัวหูมั่นให้กับเราท่านทั้งหลายได้ฟังแต่ในสถานในครูบาจารย์ที่นั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยลูกหลานทั้งหมดเนี่ยพระเณรลูกหลานหรือครูบาจารย์ของหลวงพ่อน ก็เป็นแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเกือบทั้งหมดเพวัะนั้นหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรสอนจิตญาณุจิตของท่านสอนหลวงปู่เทพหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อ่อนหลวงตามาหาบัวครูบาอาจารย์เน่ยที่มชีชื่อเสียงโด่งดังกลมากกระทั่งทุกวันนี้ท่านสอนอยังไงโดยมากหลวงปู่มั่นท่านสอนให้พระลูกศิษย์ลูกหาของท่านภาวนาพุทธโธนะลูกหลานนะ หายใจเข้าแต่พราะพระพุทธเจ้าท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกเพราะว่าหายใจออกแต่ห ล, ลวงปูง่มั่นหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้าแต่กําหนดลมลมเฉยเฉยมันหลุดมันหลน่นเออมันหลงเงื่อนได้ง่ายส้มทับกับพุทธโธด้วยนะท่านจึงให้ส้ำทับกับพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอันนี้ก็ถูกไหมถูกในอนุ จ, นจติสิบของพระพุทธเจ้าพุทธานุสติธรรมมาสังขารศีลาจนถึงอาณาปานสติ แต่หลงปู่มั่นท่านเอาสองกรรมฐานผนวกกันคือพุโทโธกับอนาปานสติกําหนดรวมกันเป็นสองเวลาหายใจเข้าบริกรรมคดหายใจออกบริกรรมโท เ, เมื่อกําหนดถ้าเราอยากจะรู้ว่าบางคนก็บอกว่าผมกําหนดลมไม่อยู่ไม่โลดอยู่ที่ไหนให้เราสืบหายใจแรงๆดูสักสองสามครั้งเราจะรู้ได้ลมมันเข้าที่ไหนลมมันออกที่ไหน ในเมื่อลมกระทบที่ไหนให้เอาสติจับอยู่ที่ตรงนั้นที่ปลายที่ปลายจมูกหรือที่สานจมูกหรือเพดานจมูกสุดแท้แต่แต่บางคนจะจับได้จากนั้นก็เอาสติจับอยู่ตรงนั้นไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องไม่ต้องไม่ต้องตามลมออกมาข้างนอกให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออก ครูบาอาจารย์ท hey, ่านอุปมาอุปไมยให้ฟังว่าให้เหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูเวลาคนเดินเข้าไปในบ้านเราก็รู้ว่าคนเข้าไปเวลาคนออกมาเราก็รู้ว่าคนออกไปไม่ต้องตามคนเข้าไปไม่ต้องตามคนออกมาไม่ต้องตามคนออกไปข้างนอกยืนอยู่ข้างประตูรู้ว่าคนเข้ารู้ว่าคนออกนี้ก็เหมือนกันการกำหนดลมหายใจเข้าออกเวลาลมเข้าไปในท้องไม่ต้องตามลมเข้าไปใปอด ไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกเพียงแต่มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกนะเพียงแค่นี้พออันนี้คือกำลังลมจากนั้นใจของเราจะรวมสงบนิ่งอย่างพระพุทธเจ้าจิตใจสมหรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังว่าร่างกายเหมือนกับรเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถเราจะรู้ได้ด้วยตนเอง แต่ว่ารถคันนั้นจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนครับแต่พระธรรมคำสอนท่านในความสำคัญเรื่องโซเฟอร์มากกว่ารถท่านบอกมโนปูพังร่างกายเป็นร่างกายเป็นเบาใจเป็นนายกายเป็นเบานี่แหละอันนี้แหละคือใจข้องรอนมันมันรู้ว่าร่างกายนี่คืออะไรถ้าหาว่าใจดวงนี้ได้รับการอบรมดีได้รับคุณธรรมศีลธรรมจะได้ยธรรมที่ดี ใจตรงนี้ก็เป็นคนมีธรรมมีศีลมีธรรมใช้ร่างกายเข้าไปก็เป็นศีลเป็นธรรมทั้งหมดถ้าหาว่าใจตรงนี้ไม่ได้รับการอบรมที่ดีใจเป็นนักเลงไปเป็นใจของเราเป็นโคโลโกโโ บ, า บ, าบ้าบ้าบ่อพ่อบองบอใจของเราคนนีเน้เอากายแล้วไปตีหัวคนอื่นบ้างเป็นดาคนอื่นบ้างเพราะในสุดกรรมที่กัดการกระทําเหล่านั้นเข้ามาหาใจทั้งหมดคือมาหาตัวผู้รู้นามธรรมทั้งหมดดวงนี้เป็นผู้ตัวรับทั้งหมด รับบาปรับกรรมทั้งหมดคือใจร่างกายมันหมดสภาพเอาไปาเผาไปทิ้งนะดวงวิญญาณตรงนี้จะไปเกิดเป็นเกิดในภพภูมิต่างๆได้อีกนะในครั้งพรตรเจ้ามีนะคณะสัตยาญาิโยมพระเนรลูกหลานาพวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกในพระธรรมปรทัททกัตกถาตายแล้วนะไน่ยเปยังไงนาดไม่ต้องพูดถึงผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเป็นพระกรรมฐานเนะี่ย ตายแล้วยังเกิดเป็นตัวเล่นได้ไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ของเราจะเดจประทับอยู่ที่ปุงสาวัตถีมีพระสงฆ์มากมายแต่มีพระองค์หนึ่งท่านก็บวชเข้ามาแล้วท่านก็ไปเที่ยวทุดงในป่าพอไปฉัดขาญาติโยมขอถวายผ้าพับหนึ่งคงจะเพียงพอสําหรับผ้าจีบอจากนั้นท่านก็ได้รับผ้าจีบอลมาแล้ว ท่านก็มาฝากไว้กับพี่สาวนะมาฝากกับพี่สาวจากนั้นท่านก็ออกไปเดินทุดงอีกต่อมาผ้าจีวรของท่านชำรุดผ้าจีวรขาดนะท่านก็บอกกับพี่พี่ยงมพี่ผ้าจีวรผ้าที่อาตมาฝากไว้ยัง ย, ยังมีไหมพี่เขาก็บอกมีมีอยอู่เอาท่านอย่างนั้นอาตมาต้องการแต่มาผ้าจีวรขาดพี่สาวก็หมอกไห้พอหมอบให้เสร็จแล้วท่านก็ไปหาพระ วัดป่าเชิตะวันคือพระมันหมายมีหลายกลุ่มหลายคณะเนี่ยเหมือนกับพระที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆหญ่คณะนั้นคณะนี้คณะหนึ่งคณะสองคณะสามคณะสี่และท่านก็อยู่ในคณะหนึ่งจากนั้นท่านก็ไปหาอาจารย์ที่อยู่ในคณะของท่านบอกว่ากับผมอยากจะตัดผ้าจีวรผ้าจีวรกองผมขาดท่านก็เออเอาพระที่เป็นคณอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าคณะก็เรียกประชุมสงฆ์เพราะว่าการตัดผ้าจีวรสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้ สมัยนี้มันมีแย็กจักเย็บผ้าเย็บเพืิดวันเดียวก็เสร็จแต่อันนั้นพอตัดขึ้นมาเอาพระสงฆ์ทั้งหลายมารวมกันนะพระสงฆ์ทั้งหลายก็มารวมกันแล้วเออนี่พระท่านนี้นะท่านต้อ ง, งการจีบอลเอาช่วยกันตัดช่วยกันเย็บเนาะเออจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ตัดตก็ตัดตะกต่างคนตังเ อ, อ่ออย่างเย็บกันออพระที่เป็นเจ้าของผ้าจีบอลก็ไปบอกพี่สาวถึงพี่สาวพี่สาวอาตา ม, มา ขอเนี่ยมนครูบาอาจารย์มาตัดผ้าจีวรให้อัตมานะเออเมื่อตัดผ้าจีวรก็อยากจะให้โยมพี่เนี่ยเลี้ยงอาหารเพลนท่านด้วยนะเออโยมพี่เอ่อทำได้ไหมโรงพี่โอ้ได้เออเพราะโยมพี่มีศรัทธาอยู่เลยตรงพี่เลยทาจัดอาหารเออจัดอาหารเลี้ยงพระสงฆ์ที่ล ง, ลงลงลงขันกันลงไอ้ลงหุ้นกันเออ ตัดจีวรเย็บจีวรตอนของท่านพอตัดเสร็จเย็บเรียบร้อยก็ไปยออ้อมท่านพอไปย้อมท่านก็จะฉันอาหารจากที่สาวของท่านกับพระสงฆ์ทั้งหลายคงอาหารคงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจมาท่านก็ชันเอาเต็มอิ่มพอจานี้พอย้อมจีวรขึ้นมาโอ้ผ้าจีวรผืนนี้ถูกใจจริงๆสีก็ได้ขนาดก็ได้ เนื้อผ้าก็ดีโอ้วันพรุ่งนี้เราจะได้คลองผ้านะียคือความหมายมั่นปั้นมือขกขว่าตั้งใจเขาว่ารับผ้าจีวรผืนนี้มากน ะ, ะถูกใจมากอย่างนั้นพอถึงกลางกลางคืนเอนี่อาหารที่ทานเข้าไปนะี่มันเป็นพิษเถอนี่ยอาหารเป็นพิษพระองค์นั้นก็เลยปวดท้องขึ้นมาเฮ้อชักดิ่งชักหอบพนั่นโฉ ก, กเลยตายตายในคืนนั้นพอตายขึ้นมาก็ยังคิดถึงผ้าจีวรตัวเองอยู่นะ ถึงข้ายผ้าจีวรพอตายไปแล้วก็ เ, เข้าไปปฏิสนธิไปเกิดเป็นตัวเลนในผ้าจีวรค่ไปเกิดในผ้าจีวรจากนั้นก็พอผุ่งนีนเช้าพระอ้พระที่เราตัดผ้าจีวรให้เมื่อวานเนี่ยมรณภาพแล้วท่านอาจารย์โอ้เอาตพวฉันยังขันเสร็จแล้วก็ไปไประชุมเพลเผาละคือสมัยก่อนเขาไม่มีอะไรพิธีรีอตอง น, นะพระองค์ไหนเผาแล้วก็ไป ตายแล้วก็เผาเผาเผาไปเรื่อยๆองค์ไหนตายนะแต่นี่องค์นี้ก็เหมือนกันมรณาภาพอาพอตายแล้วเนี่ยนะเขาก็มรณาภาพไปแล้วเนี่ยพระสงฆ์ก็จัดการกเอาไปเผาพอเผาเสร็จแล้วแตนี่บริขารบริขารของพระองค์ใดนะพระพุทธเ จ, จ้ามีบัญญัติเป็นวิญัยนะเมื่อบริขารองค์ที่มรณาภาพสมบัติขององค์มรณาภาพเป็นบริขารบาทกี่บอนอต้องเอามามาเอาไวเอามาเป็นตรง ไว้ตีตรงกลางคณะคณะหนึ่งคณะสองอย่างที่รองพ่อได้พูดได้กล่าวมีกี่องคอก็มาล้อมรอบในบริขารพระนักก็บอกว่าเออในพระ อ, องค์นั้นในมรณาภาพแล้วพวกเราจะแจกบริขารแล้วนะใครใครเป็นผู้อุปถัมภะท่านองค์นี้เป็นผู้ใกล้ชิดท่านองค์ที่มรณภาพนี่เอาให้องค์นั้นเลือกเอาก่อน อ, องค์นั้นจะเลือกเอาอะไรจะเอาบาทก็ได้จีวรก็ได้อันใดอันหนึ่ง ในเมื่อเลือกเอาแล้วก็จากนั้นพระเทลาก็เอาจากนี้แจกนะัองค์ไหนชำรุดผ้าตั้งขาองค์ไหนชำรดจีวร อ, องค์ไหนชำรดบาทองค์ไหนชำรุดก็ให้ตามตามนั้นเพราะบริขารสมัยก่อนหายากนะแต่ทีนี้เมื่อพระสงฆ์เข้ามาล้อมรอบกันกําลังพูดกันคุยกันอยู่นะจะแจกผ้าจีวรเรนนะเรนถูกไปเกิดในผ้าจีวรตัวนั้นนะแต่ตัวเรนตัวเล็กคือจริงอยู่แต่ว่า ดวงใจของเลนเนะ่ยมันไม่ใช่เล็กมันเป็นตัวใหญ่ฮะจะมาเกิดในตัวเรนนะจากนั้นเรนตัวนั้นนะ่ะร้องตะโกนขึ้นมาโอ้ยพระกำลังจะแย่งผ้าจีวรของข้าพเจ้าพระสงฆ์กำลังจะแบ่งผ้าจีวรบริขารของข้าพเจ้าจะแย่งผ้าจีวรเพราะพระองค์นั้นที่ตายมันห่วงห่วงห่วงห่วงผ้าจีวร น, นะจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ไม่ได้ยินเลยเพราะหูของเรามันหูหูห หูกระทะหูมากของหางใช่ไหมหูกระเช้าหูกระซะ้าแต่หูพระพุทธเจา้านะท่านเนตรประกันของพระพุทธเจ้าเป็นหูเทพเลยท่านอยู่ที่พระคันธกุฎีท่านก็บอกอาโนนไปบอกให้พระเหล่านั้นหยุดหยุดซะก่อนเนี่ยจะเพึ่งแจกอัถบริขารจะเพิ่งแจกบริขารพระองค์นั้นนะไปที่ไปบอกไปพระานนก็นรีบมามาบอกท่านท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายกาลังจะแจกอัฐ บริฐานของพระที่มรณะภาพเมื่อวานนีใช่ไหมใช่เออแตงั้นระงับไปก่อนนะจนจนจนกว่าได้ได้รับคำสั่งจากพระพุทธเจ้าจากนั้นพระสงฆ์ก็งงเหมือนกันเออเอ า, เ, อาเก็บไว้พ่อเก็บไว้ทีนี้พ่อเจ็ดวันเล่นต้นนั้นตาย เ, าเล่นอายุมันเจวันนะขณะสัททา ย, ยาตโยมลูกหลานพอเล่นต้นนั้นตายพ่อตายท่นี้ก็พระ อ, องค์ก็บอกว่าอานอน์ไปบอกให้พระ เหล่านั้นเอาบริขารของพระเอาน้ำมาแจกได้เลยนะในพระนนก็นไปบอกท่านทั้งหลายพระพุทธองค์สั่งมาแล้วให้แจกบริขารของพระองค์นั้นได้แต่ในพระสมัยก็ประชุมกันและแจกบริขารอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นให้ตามที่กิลานอุปถากหรือว่าผู้ที่จําเป็นชำรุดจากนั้นพระเหล่านี้นก็ยังข้องใจที่เอ๊ะทำไมองค์อื่นทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้แจกไปเลย เราก็ทําตามพิธีกรรมพิธีกา ร, รแต่องค์นี้ทําไมจึงพระพุทธเจ้าจึงสั่งห้ามและก็สั่งให้แจกเพราะเหตุอะไรหนอพวกเราควรจะไปกราบคุนถามพระพุทธเจ้าแต่นั้นกัพระเหล่านี้ก็ไปถามพระพุทธเจ้าไปกราบทูลถามอพอไปถึงพระองค์กัพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์มีความสงสัยทําไมหนอพระองค์จึงห้ามไม่ให้แจกบริขารพระองค์นั้นและทําไมต่อมา เวันและจึงให้แจกบริหารพระองค์นั้นอีกพระเจ้าภาพเพราะเหตุเป็นเหตุอันใดหนอพระองค์บอกว่าดูก่อนสงทั้งหลายพระองค์นั้นเมื่อก่อนที่เขาจะตายเขาห่วงผ้าจีวรเขารักผ้าจีวรเขามากพอตายแล้วดวงวิญญาณของเขาไปติดเกาะอยู่ที่ผ้าจีวรของเขาเป็นตัวเรนตัวเรนตัวไรเพราะฉะนั้นเวลาพวกเธอทั้งหลายจะแจกผ้าจีวรเขาเสียใจร้องโหยร้องไห้เสียง เราได้ยินเราวก็บอกเออควรจะงบนะรับไปก่อนถ้าว่าพวกเธอท่านทางายแจกไปพระองค์นั้นจะเกิดความโกรธพอเขาตัวตายจากเลนแล้วก็จะไปตกนรกเออพราะไรเพราะเขามีจิตเป็นอกุศลความโกรธของเขาแต่ในเมื่อเดี๋ยวนี้เมื่อเขาตายไปแล้วออจาจจากตัวเลนอั น, นี้สงสินอันในสงภาวนาของเขามีอยู่อั น, นี้สงที่เขาจะไปสู่สวรรค์ได้เพราะนั้นบัตรนี้ เขาตายไปแล้วจากตัวเล่นตัวไรเข้าไปสู่สวรรค์แล้วเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายแยบผ้าจีบอล น, นี่แหละเป็นอุทาหรณ์หนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่จะจากลาขันคนโบราณก็จะขอให้นึกถึงพุทธอนคะ์นึกถึงคุณงามความดีเนะ้อนี่แหล ะ, เ, ะเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน ได้ศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพุทธศาสนาท่านยืนหยัดยืนยันว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกการเกิดของเรานั้นจุดแท้แต่กรรมคือการกระทําเราจะไปข้องแวะกับสิ่งใด เ, เราอาจจะไปเกิดในจุดนั้นกลุ่มนั้นก็ไาดา้เพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านคณะทศไทยญาติโยมทุกทุกคนนะได้มาศึกษาในเรื่อ ง, อ ง, องหลักธรรมคาสอนของพุทธะแล้วให้พวกเราศึกษาว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีจริงเพราะนั้นขอให้พวกเราประกอบแต่คุณงามความดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าเมื่อเราคิดทำพูดในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วกรรมชั่วจะให้ผลกรรมชั่วจะจ ะ, จะตามสนองตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่า น, นเมื่อได้มาพบได้เกิดมาพบพพุทธศาสนาแล้ว ได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้พวกเราเออลงมือประพฤติปฏิบัติแต่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นออพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พูดให้เชื่อทีเดียวไม่ใช่ให้นําไปกานกรองไตรตรองอีกจับออให้ถี่ถ้วน อ, อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับท่านสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรที่เราตาตาคตตรัสไปนี่พูดไปนีเน่เธอเชื่อไหม พระสารีบุตรกราบคูลพระพุทธเจ้าว่ายัางไม่เชื่อพระเจ้าค่ะเอปฏิเสธต่อหน้าพระพุทธเจ้าจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเอหลายร้อยองค์คือหาโอ้โหท่านสารีบุตรเนี่ยทำไมหัวดื้อหัวรั้นหัวแข็งถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้าบอกกล่าวสอนอยู่มาแบบทําไมถึงปฏิเสธต่อหน้าว่าไม่เชื่อนโอ้โหแสดงว่าท่านองตนอย่างมาก พระพระองค์บอกว่าดูก่อนสงทั้งหลายเดี๋ยวเราจะถามอีกว่าทําไมสารีบุตรเธอจึงไม่เชื่อที่เราบอกกล่าวและเราสอนไปทีพระสารีบุตรกราบทูลกับพุทธเจ้าว่าเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติพระเจ้าข้าในเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้วเห็ผลอย่างไรข้าพระองค์จะมากราบทูลเมื่อภายหลังพระเจ้าข่านี่แหละดูก่อนสงทั้งหลายให้ฟังเอาไว้ได้ยินอะไรมาก็ตาม ให้ศึกษาให้ฟังเอาไว้ในเมื่อฟังเอาไว้แล้วนําไปปฏิบัติในเมื่อไปปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างไรนั่นแหละจึงค่อยเชื่อเออไม่ใช่ว่าได้ยินอะไรมากกเชื่อทั้งหมดไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ไม่สว่าไม่ใช่ลูกศิษย์สถาคตไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้ า, จาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังอย่างทุกวันที่โซเชียลยูทูบอะไรก็บมิอะไรมากมายในโลกเนี่ยถ้าพวกเราฟังไปแล้ว ไปเชื่อทั้งหมดเสียหายได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะนั้นให้การกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะเพราะฉนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะที่ได้พูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังก็ยกตัวอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษีตื้งต้นว่ามรณงเมผวิสติขยะวยะธรรมมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปาเดธาติ ว่าละนางเมยเผาเวจิติข้าพรเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอถ้าคนระลึกถึงความตายจะไม่หลงไม่ลืมตัวเพราะว่าอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องตายและไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้คนระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมออันนี้เป็นหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะที่พระพุทธองค์ตรัสการดูก่อนอาโ น, น์เธอร ะ, ะลึกถึงความตายวันและกี่ครั้งพระอานน์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ข้าพระองค์ละลึกถึงความตายวันละร้อยครั้งประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะอานน์เธอท่านทั้งหลายละลึกถึงความตายละลึกถึงความตายประมาณวันละร้อยครั้งนั้นยังประมาทอยู่นะอานนท์ต้องละลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้าหายใจไม่เข้าแล้วก็ใช่ตายถ้าถ้าหายใจไม่ออกก็ตายเพราะนั้นท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดี สั่งสมบุญกุศลอันไหนที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีให้ทําสิ่งนั้นสิ่งที่มันชั่วสิ่งที่มันจะเสียหายอย่าทำนี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพุทธะนี่แหละที่หลวงพ่อพุกบอกต่อท้ายว่าขยะวยธรรมมาสังขาราอันนี้เป็นพุทธภาสิทธิพระองค์พระที่พระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพานในวันเดือนหกเพนตอนยำ่ำตอนใกล้ลุ่พระ อ, องค์บอกว่าดูก่อนสงทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดเนี่ยอันนี้คือขยาวยะธรรมมาสังคาระอัปมาเดนะเนียคล้ายๆให้พวกเราท่านทั้งหลายประโยชน์ตนการบำเพ็ญคุณงามความดีรักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์ดูแลปิดามารดาครูอุปชาอาจารย์บำเพ็ญคุณงามความดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้ก็ขอให้พวกเรานช่วยกันดูแลกะก็อันนี้คือ ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมโรงพยาบาลโรงเรียนช่วยเหลือคนที่น้อยกว่าเราอันนี้เรียว่าประโยชน์ท่านทั้งสองอย่างทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอยาให้ถึงพร้อมหรือความไม่ประมาทเถิดเนี่ยอันนี้คือหลักธรรมคําสอนแต่หลวงพ่อเองนะมาเห็นท่านสําลักพุทธที่ท่านมาจุดทูบเทียนที่ท่าน ได้มาเป็นประธานในวันนี้นะที่หลวงพ่อได้เห็นนะที่ท่านได้บอกกล่าวหลวงพ่ออยากจะฝากวัดวาศาสนาในเขตจังหวัดเลยน้องบัวลําพูเเ อ, เอไว้กับท่านด้วยนะท่านสำนักพุทธนะเพราะหลวงพ่อได้มาร่วมประชุมที่สลากลางได้พบท่านมาเห็นหลวงพ่ อ, อยังจําท่านได้อยู่เออสำนักพุทธท่านเก่าเนี่ยนะฝากลูกฝากหลานฝากพระฝากเนรเมนเดอร์สำนักพุทธท่านมานั่ง ข้อหน้าที่ของท่านก็คือมานั่งอยู่ที่สลากลางมาดูแลพระสองฆ์องค์ข้าเจ้าตัวสำนักพุทธชัดเจนอยู่แล้วนะวัดไหนไม่ถูกต้องตามกฎกติกายังไม่ได้ขออนุญาตสร้างวัดแต่สร้างมานานหลายปีแล้วสิบยี่สปีแล้วยังขอไม่ได้ผมบอกวาไม่ได้เพราะอะไรขอให้ท่านให้ท่านหัวหน้าใหญ่สํานัพนะกพุทธหลวงพ่อขอฝากไปเนาะหลวงพ่ออิน หลวงพ่ออินเนี่ยสำนักพุเนี่ยเป็นน้องนะเป็นน้องหลวงพ่อเนี่ยทำไมจึงเป็นน้องพราะหลวงพ่ออายุเจ็ดสิบสปีใช่ไหมใท่านเป็นรุ่นน้องเลยในน้องๆดูดูดู ด, ด, ดูสำนักพุดูดวัดวาศาสนาเนอะเนี่ยเพราะว่าถ้าว่าเราดูแลเรื่องนี้แล้วมีแต่ความผาสุกเรานึกขึ้นมาเมื่อไรเมื่อเราพ้นจากราชกา ร, ปรไปจากเกษียณไปแล้วเรายังภาคภูมิใจนะโอ้เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นสำนักพุนะ ข้าพเจ้าได้ดูแลบํารุงพระพุทธศาสน า, าได้ยกพระพุทธศาสนาเป็นวัดขึ้นมาถูกต้องตามากฎมาหาเถระสมาคม เ, าเป็นที่หน้าภาคภูมิใจหลวงพ่อว่าจะเป็นที่ภาคภูมิใจไป ท, ทุกหมู่ทุกหมู่ทุกเหล่าหรือแล้วก็เรียนไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยเพราะท่านมีหน้าที่ตรงแต่วัดไหนที่ทําลายทําลายป่าตัดไม้ทําลายป่าอันนั้นก็เตือนว่ากล่าวตักเตือนท่าน ว่าท่านยังไม่รู้แต่วัดไหนโดยมากเป็นน้องๆของหลวงพ่อเลยลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อโดยมากจะปลูกป่านะเอให้ไปดูได้เลยอย่างวัดหลวงพ่อเนี่ยพันสาร้อยห้าสิบไร่เต็มไปหมดไม้สักเป็นแสนตน้นเต็มป่าไปหมดอคราวหนึ่งท่านนะท่านวิศณุคืองามเลยนะท่านบวรสักดิ์มีสามท่านท่านหนึ่งที่ไปวัดหลวงพ่อหลวงพ่ อ, พอเออท่านวิศณุเพวกท่านทั้งหลาย ต่อไปจะได้เขียนกฎหมายลบพ่อพูดไม่ผิดเลยนะเออถ้าจะได้เขียนกฎหมายต่อไปภาคภายภาคหน้าออท่านจะได้เห็นว่าเอ อ, เ อ, อวัดเราได้ยินแต่ว่าวัดป่าทำทำลายป่าเออบางคนรก็วัดป่ารักษาป่าเออเนี่นะวัดของอาตมาไปดูเถอะนะก็เลยผ่านั่งรถเข้าไปดูข้างในออท่านก็นจะได้ลงหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะ บอกว่าโอ้วัดของท่านรักษาป่าดีมากปู่ป่าเต็มไปหมดเลย น, ะนี่แหละอันนี้คือวัดป่ารักษาป่าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานน้องลุงทั้งหลายให้อยู่ในกฎให้อยู่ในระเบียบให้อยู่ในหลักวัฒธรรมวินยนะัยเน้อสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินทุกวันนี้มันดังมันกระดังได้ง่ายมันดับมันกรดับได้ง่ายอีกเหมือนกันสิ่งทีไหนที่มันไม่ดีให้มองดูกันให้ดูแลกัน สิ่งที่มันไม่ดีอย่าทําให้พวกเราเป็นสากกยบุตรเป็นโคดทัชชินโนรถเป็นลูกของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเออพระพุทธเจ้าสอนยังไงในหลักพระธรรมวินัยให้ปฏิบัติตามนั้นพวกเราไม่ต้องขัวอดขัวอยากนะลูกหลานพันเดนลูกหลานน้องหนุ่งทั้งหลายเนอเออแต่หลวงพ่อไม่ได้พูดกล่าวถึงครูบาอาจารณ์นะหลวงพ่อสอนแต่พวกน้องๆของหลวงพ่อนะลูกศิษย์ลูกหาลน้องน้องน้องหนุ่งของหลวงพ่อนะให้เป็นพระที่ดีเออ ไม่ต้องกลัวอดกลัวอยากพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากพระธรรมยอมรักษาผู้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเน่ยเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ในศีลในธรรมเป็นสากยบุตรเป็นผู้มีฮิลีอดตบปบะ อ, อ, อย่าเป็นพระอารัชชีอารัชิตาเป็นผู้ไม่มีความละอายต่อบาปอันนั้นไม่ดีแน่นะพระเนรลูกหลานน้องล ง, งทั้งหลาย อั น, นหลวงพ่อเห็นครูบาอาจารย์น้องนุงทั้งหลายนะน้องนุงทั้งหลายนี่แหละไม่ใช่ครูบาอาจารย์หรอกให้อยู่ในกรอบในศีลในธรรมเนี่พระเนรกหลานน้องนุงของหลวงพ่อน ะ, อะการกล่าวสังเวทในยัคถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจขุนพัชรีรัตนไรยพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มาคุ้มครองพวกเราคณะสัตยาญาติโยม